สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทยพิบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในประเด็นที่19ของความสมดุล น, นะครับจากหนังสือ20กฎทองคำนำสู่ชีวิตที่ดีงามและกลมกลืนสมานันของท่านศาสนาจารย์ดรฟลิปเทงครับและขอขอบพระคุณท่านจันทร์สุพิธที่เป็นผู้ที่ถอดความเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยให้เราได้อ่านกันนะครับ ผมก็นำมาขยายความอธิบายความให้พี่น้องได้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้ประเด็นที่19เป็นเรื่องความสมดุลระหว่างความตั้งใจนะคโฟกัสหรือการมุ่งเน้นนะครับกับความเกี่ยวพันซึ่งกันและกันก็คือจะต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในขณะที่ความตั้งใจนั้นก็คือการมุ่งหมายนะครับการโฟกัสในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ในขณ ด, ดกันครับเราก็ต้องเกี่ยวแขนกันคล้องแขนกันในการที่เราจะผูกพันกันเดินร่วมทางเดียวกันเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายด้วยกันครับพระจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่12พระธรรมโรมบทที่12ข้อที่7ข้อที่8และขอกลับมาในข้อที่5้ครับพี่น้องครับโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้า โรมบทที่12ข้อที่7 8และกลับมาข้อที่5ถ้าเป็นการปฏิบัติก็จงปฏิบัติถ้าเป็นผู้สั่งสอนก็จงสั่งสอนถ้าเป็นผู้เตือนสติก็จงเตือนสติผู้ที่ให้ก็จงให้ด้วยใจกว้างขวางผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ผู้ที่แสดงความเมตตา ก็แสดงด้วยใจยินดีและในข้อที่5นะครับเราผู้เป็นคนหลายคนยังเป็นกายเดียวกันในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันอย่างนั้นพี่น้องครับพวกเราผู้เป็นหลายคนก็ยังเป็นกายเดียวกันนั่นคือการที่เราจะต้องเป็นกายเดียวกันสอดคล้องกันนะครับล้อกันให้ ไปถึงเป้าหมายได้ครับนั่นคือความเกี่ยวพันซึ่งกันและกันความผูกพันตัวเองที่มีต่อ ก, กันและกันในขัดระดัการครับต่างฝ่ายต่างคนต่างก็มีความตั้งใจความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายตามของประธานที่ตนมีอยู่เพราะฉะนั้นในสองประเด็นนี้ครับต้องมีความสมดุลพี่น้องครับท่านศาสตราจารย์ดรฟิลทีนั้นท่านเขียนนะครับโดยมีเนื้อหาแค่สองบรรทัดครับ ก็คืออธิบายความว่าความสมดุลระหว่างความตั้งใจการมุ่งทางเดียวนะครับต้องสมดุลกับความเกี่ยวพันกันร่วมทางกันและท่านก็ยกพระคำพีข้อนี้แหละครับแล้วก็จบผมจึงอยากจะขยายความอธิบายต่อเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจครับในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เรามีหน้าที่ปฏนิบัติรับใช้พระเจ้า เพื่อที่จะสร้างคนให้เป็นสาวกนั่นคือจุดประสงค์สูงสุดและจุดประสงค์เดียวที่พระเจ้าต้องการให้เราทำถ้าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำแล้วยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ทำมานานพอสมควรเราต้องกลับไปสำรวจตัวเองครับตรวจตาตนดูว่าเราทำสิ่งที่เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า เราจะทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องการจริงหรือเปล่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่มุ่งเน้นเรื่องการสร้างสาวกมุ่งเน้นเรื่องการประกาศจริงหรือเปล่านั่นคือประเด็นที่สำคัญครับในขณะเดียวกันครับในขณะที่เรามุ่งเน้นการประกาศนะครับการสร้างสาวกการทำสิ่งที่เป็นของประธานของเราเองออกมาให้เป็นการรับใช้การปฏิบัตินั้น เราเองนั้นก็จะต้องพวงซึ่งกันและกันครับเราเองจะต้องผูกพันซึ่งกันและกันเราจะต้องคอยกันครับเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องครับอย่างนี้แหละครับถึงจะเป็นการคล้องแขนกันนะครับเกี่ยวก้อยกันแล้วก็เข้าสู่เส้นชัยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญครับในขณะที่เราเองนั้นมีความตั้งใจต่างคนต่างก็มีความตั้งใจและความตั้งใจในหลายๆคนนะครับ ที่ไม่ได้ไปด้วยกันมันก็เกิดทำให้ความแตกแยกเกิดขึ้นครับทำให้ความแตกแยกนั้นเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องระวังบางคนไปเร็วไปช้าต่างกันนะครับบางคนความสามารถส่วนตัวความสามารถพิเศษของตัวก็ต่างกันเพราะฉะนั้นคนที่มีภาวะผู้นาสูงนะครับก็จะสามารถนาคนที่มีภาวะผู้นาน้อยกว่าได้ ในขานใดด้วยกันครับคนที่มีสติปัญญาสูงก็จะมีความคิดมี m มซ์เซตมีหลักความคิดที่เป็นผู้นำอีกเหมือนกันลายเล็กคนนะครับเป็นผู้ที่มีของประธานมากนะครับเราเองนั้นก็จะต้องอธิษฐานทูลขอให้เราเกี่ยวแขนกันคล้องแขนกันในการที่จะเดินหน้า ในชีวิตการรับใช้ของผมนั้นอยากจะแบ่งปันสักเล็กน้อยครับเนื่องจากว่าผมเป็นคนที่เร็วหลายครั้งทีเดียวความใจร้อนก็ทำให้เสียการเสียงานในขณะที่เราไม่ยอมรอผู้ร่วมงานของเราหรือรอคนอื่นนั่นคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีครับที่ผมอยากจะยกเป็นตัวอย่างในทางลบให้กับพี่น้อง พระเจ้าของพระเจ้าค่อยๆหล่อหลอมชีวิตของเราเมื่อเรามีความเชื่อฝัง พ, องพระเจ้าและบังเกิดความถ่อมใจหลายครั้งทีเดียวเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้เคยเจ อ, เจอกันมานานก็ก็ทักครับว่าอ้าวทำไมเดี๋ยวนี้ใจเย็นลงทำไมอบอุ่นขึ้นทำไมหลายสิ่งหลายอย่างครับก็อยากจะบอกกับทุกๆ ท, ท่านว่าพระเจ้าเปลี่ยนเราได้ครับ พระเจ้าพัฒนาบุคลิกที่เฉื่อยชาให้กลายเป็นบุคลิกที่ขยันขันแข็งพระเจ้าพัฒนาบุคลิกที่ใจร้อนจนเกินไปก็ให้อบอุ่นสร้างความอบอุ่นคับกับเพื่อนร่วมงานกับที่ทํางานกับการรับใช้พี่น้องครับหากว่าเราเองนั้นปรารถนาที่จะประจักษ์ถึงการทรงพระชนอยู่ของพระเจ้าปรารถนาที่จะเชื่อฟังพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเรา นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมมาแล้วจึงอยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องในเช้าวันนี้ครับเราจะทําอย่างไรให้เกิดความสมดุลในการที่เราวิทยะอุตสาหะมุ่งเน้นทําเป้าเดินไปถึงเป้าหมายแต่ในขณะเดียวกันครับเราเองนั้นซึ่งเป็นคนหลายคนยังต้องเป็นกายเดียวกันครับถ้าเป็นการปฏิบัติก็ต้องตั้งใจปฏิบัติให้ดีพี่น้องครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องพระคัมภี์ตอนนี้ครับ ขณะที่ท่านอคาทูตเปาโลเขียนพระธรรมโรมท่านเขียนไปถึงกิตตจักรและผู้เชื่อในกรุงโรมท่านเขียนเพื่อที่ว่าท่านเองนั้นจะได้อธิบายความว่าสมมุติว่าถ้าเรามีของประทานเรื่องการปฏิบัติก็จงจดจ่ออยู่เรื่องการปฏิบัติถ้าเป็นผู้ที่สั่งสอนก็จงสั่งสอนผู้ที่เตือนสติก็จงเตือนสติ ผู้ที่ให้ก็จงให้ด้วยใจกว้างขวางการให้แบบใจกว้างขวางนั้นเป็นการให้ที่วิเศษที่สุดเป็นการให้ที่บริสุทธิ์ใจครับเป็นการให้โดยที่ไม่หวังผลที่เราจะได้การตอบแทนหรือไม่ได้ผู้ที่ครอบครองก็ต้องครอบครองด้วยการเอาใจใส่คำว่าครอบครองนั้นในภาษาสมัยใหม่นี่เรียกว่าผู้บริหารครับผู้บริหารต้องต้องเอาใจใส่เข้าไปอยู่ข้างใน ผู้บริหารนั้นเป็นผู้ที่รับมอบหมายจากองค์ผู้อืเจ้าในการบริหารดูแลจัดการคนที่เป็นข้าราชการมีตำแหน่งสูงก็เช่นเดียวกันครับพระเจ้าก็ยกพี่น้องเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้สำแดงความเป็นเกลือเป็นแสงสว่างแผ่นดินโลกในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเมื่อเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เราเองนั้นจะต้องถ่อมใจมีความสัตย์ซื่อ มีความจงรักภักดีและหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความจําเป็นเพื่อที่เราจะสำแดงองค์พระเยซูคริสต์และสํำแดงว่าเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนซึ่งเป็นผู้ครอบครองนั้นเราจะแคร์หรือเอาใจใส่ครับเราจะเอาใจใส่สิ่งที่สําคัญสิ่งที่เป็นความรู้สึกของพี่น้องประชาชนหลายสิ่งหลายอย่างนี่คือความสมดุลพี่น้องครับ สิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ถามว่าพูดง่ายทำยากครับพี่น้องครับในขณะเดียวกันครับพระคัมภีร์บอกต่อว่าผู้ที่แสดงความเมตตาก็แสดงด้วยใจยินดีพี่น้องครับใจยินดีในที่นี้ก็หมายความว่ามีความชื่นชมยินดีในการที่จะแสดงความรักความเมตตาจะได้ออกมาเป็นความช่วยเหลือครับไม่ใช่เป็นความรังเกียจเดียดฉันหรือไม่ใช่เป็นการแบ่งแยกกีดกัน พี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญให้เกิดความสมดุลครับขอพระเจ้าทรงอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านให้ได้รับความจริงที่มาจากโปรเจนะของพระเจ้าให้มีทีท่าแห่งการที่เราเองนั้นจะเชื่อฟังและทูลขอให้ชีวิตของเรานั้นสมดุลครับสมดุลในเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับอาเมน